บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องอวิชชาสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกใจสัตว์ไว้ได้แก่อวิชาคือความไม่รู้มาโดยลำดับเป็นสังเกตว่าความไม่รู้นั้น เมื่อเรียนเป็นลำดับแล้วก็จะมีอยู่3มระดับใหญ่ๆระดับแรกคือเป็นความไม่รู้ในลักษณะที่มืดบอดจริงๆคล้ายๆกระโดดตกอยู่ท่ามกลางความมืดคือไม่เห็นอะไรรอบตัวเราเองจะ ข, ขยับขยื่นอะไรก็มีปัญหาระดับที่สองนั้นเป็นความรู้ที่ไม่จริงมีโอกาสเสียงผิดเสียงถูกอยู่มาก และส่วนใหญ่ก็มักจะผิดไปแก่วิธีชีวิตของสามัญชนทั่วไปสิ่งหลายที่เราเกี่ยวข้องพบหาเรียนรู้ทางประาทสัมผัสนั้นมีเป็นอันมากที่เรารู้ไม่จริงบางระดับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พึงพอถึงอีกระดับหนึ่งขึ้นเนื่องจากเรารู้ไม่จริงปัญหาก็เกิดขึ้นในจุดตรนั้น อีกอหนึ่งเป็นความรู้ระดับที่มีความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ไม่สามารถสลัดตนออกไปจากความชั่วร้ายทั้งหลายได้ยางที่พระเจ้าทรงแสดงความรู้ไว้สามระดับระดับ แ, แรกก็คือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสเรียกว่าญาตปริญญาคือรู้โดยการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในด้านหนึ่งในมุมหนึ่งแต่มีห ล, หลายจุดหลา ย, ลายด้านเรายัางไม่รู้ดับที่สองทรงใช้คำว่าธีระปริญญาเป็นการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครบเจาะในสิ่งเดล่านั้นค้นคว้าจนสาวลึกลงไปสามารถพูดได้อธิบายได้ชี้แจงได้ แต่บางจุดบางเรื่องก็ทำไม่ได้คล้ายๆกับเราศึกษาวิจัยโทษของสิ่งต่างๆเป็นโทษของสุปรีเป็นต้นสามารถชี้แจงอธิบายคนอื่นฟังได้ประจายได้แต่ก็าจริงตัวเองก็เลิกสุปรีไม่ได้เป็นความรู้ระดับที่เอาตัวรอดไม่ได้คือช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากอานาจของความชั่วลดนั้นไม่ได้ทั้งๆ ท, งที่เรารู้มันชั่ว ยังทรงสอนระดับที่เรียกว่าปาหานปรินยาคือรู้ว่าชั่วละละได้รู้ว่าทำดีแล้วก็ทำได้แต่จะเห็นว่าในชั้นนี้บางระดับเรากลาละได้พอถึงบางระดับก็เกิดละไม่ได้ซึ่งแนวตรงนี้ความไม่รู้ระดับนี้มันก็มีขึ้นไปเรื่อยๆทำให้พระรยาบุคคลทั้งหลายยกเว้นพระอาราหารันก็ยังมีอวิชชาอยู่ ในความเป็นพระยาบุคคลเหล่านั้นพึงสังเกตว่ามีกิเลสระดับหนึ่งทละได้แต่พอถึงระดับหนึ่งทละไม่ได้จันปโสรดาบันทนละสักกายาทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาได้สามารถมองคนอื่นในเมตตาจิตได้เป็นลักษณะมองสับปะสัตคือสเพสตาสัตว์ทังหลายทั้งพวกได้ แล้วก็จริงกิเลสคือการมราคะนั้นท่านละยังไม่ได้โทสะแม้จะไม่รุนแรงแต่เนื่องจากยังมีการมราคะอยู่ก็เกิดการพัดรากสูญเสียโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตเห็นพร่าพรากจากลูกจากหลานจากสามีพัญญาก็ยังมีโศกะความเศร้าโศกโศกะนั้นเป็นทุกข์สัตย์ การมาราคานั้นเป็นสมุทัยสัตวผลแสดงเห็นว่าที่จริงท่านก็รู้ทั้งทุกทั้งทุกกสะทั้งสมุทัยสัตว์แต่ท่านก็ละมาได้หลายระดับแต่มาถึงจุดหนึ่งก็แท้กระทัะทนแรงท่านก็เอาไมา่อยู่เหมือนกันเราจึงพบพระยะบุคคลระดับประโสดาบันเนางวิสาขาหมาบวาสิการ้รอ ง, องห่มร้องไห้เมื่อล้านชายต้องตายไปในวัยที่ยังเด็ก หรือท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีหมาบาสศพปูใหญ่ยังร้องห h มร้องไห้เมื่อลูกสาวคือนางสุภณาเชวีได้ตายไปตตั้งที่ท่านรู้ว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาแต่พอแรงกระแทกลึ ก, ลกๆท่ก็เอาไม่ได้เด้นขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงระดับของพระอนาคามีก็ยังมีอาการของอวิชชาอยู่ คนที่ดับวิชาได้จริงๆ จ, ง จ, งจึงมีเฉพาะพระอราหันต์เท่านั้นซึ่งหมายความว่าคนละกิเลสได้ทั้งกวงมีเฉพาะประเภทเดียวคือพระอาราหันต์นอก น, นั้นไม่มีใครละได้โดยประการทั้งปวงในการปฏิบัติพัฒนาจิตใ จ, จของบุคคลจึงเป็นเรื่องของการค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆที่ส่งอุปมาเหมือนกับขัดสนิมเหล็ก ขัดสนิมจากขาชนะทองเหลืองหรือดึงเอาสิ่งแปลกปลอมในทองออกมาจากทองซึ่งจะต้องใช้ความเพียรพยายามมีสติสัพพัญญะที่มีการกระทำไปอย่างต่อเนื่องค่อยๆ อ, ออกไปโดยดังๆหมายความเมื่อกิเลสเขจางลงไปอวิชาเองก็จางตามไปด้วยดั้นตราบใดที่ยังมีอวิชาอยู่ ดับนั้นการดาเนินชีวิตของเราก็ยังมีปัญหาจุเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นแต่ถ้าปริมาณของวิชารุนแรงก็เป็นการแยกทางออกไปจากอริยมรรติองแปดระกันเพราะในความเป็นอริยมรรติอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นวิชามรรท่านเรียก อริย ม, มรรควสัมมามรรคคือทางชอบมาความพูดดําเนินไปเดินไปประพฤติปฏิบัติไปตามเส้นทางสายดีมีความเห็นเป็นสมาธิทิฐิอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งก็ทําทนองคล้ายๆกัดอยู่ในถ้ากลางความมืดที่ไม่มากเกินไปมันก็มองเห็นอะไรอยู่พอสมควรสามารถจะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เราอา จ, จะไม่มีปัญหาระดับศีล อาจจะมีปัญหาระดับสมาธิหรืออาจจะไม่มีปัญหาระดับสมาธิแต่อาจจะมีปัญหาระดับปัญญาแต่ไงก็ตามก็ถือว่ายังอยู่บนเส้นทางของอะเรมักนั้นการเริ่มต้นเข้าสู่กระแสของอะเรมักจึงเริ่มที่การมีความเห็นชอบในกฎของกรรมซึ่งในจริงแล้วเราก็อาศัยความเชื่ออยู่ไม่น้อยเลย มาความาการเข้าสู่กระแสของอริยมรรคอาจจะเริ่มที่ศรัทธาก็ได้อาจจะเริ่มที่ปัญญาก็ได้แต่ถ้ามีได้ทั้งสองอย่างมันก็จะมีความมั่นคงหนักแน่นยิ่งมากกิ่งขึ้นแต่ตราบใดที่องค์ธรรมเหล่านี้ยังไม่มั่นคงใจมันก็แกวกไปได้อย่างข้อนี้พึงสังเกตความเห็นผิดที่ท่านเรียกว่ามิจฉาสังกปะคือความเห็นผิด ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลระดับเจ้ากระชิคณาจารย์อย่างท่านสันชัยปริภาชกที่เป็นอนดีตอาจารย์ของพระษาดิบุตรพระโมคคลานะที่เมื่อพระสาดิบุตรพระโมคขลานะได้นำความทั้งปัวงมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพระผู้มีพระเจ้าทรงชี้ไปที่ประเด็นเดียวว่ามันเกิดขึ้นจากความดําริผิด หมาความาจิตดำเนินไปในกระแสของความดํางริที่ผิดจึงอาจจะใช้คำยังไงก็ได้ในปัจจุบันมักจะใช้คำสังกัปปะความคิดทัศนคติเจตคติหรือแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ถ้ามีวิชาอยู่มันก็โอกาสเสี่ยงโอกาสที่จะผิดมันก็มีอยู่มาก ความคิดของท่านสัญชัยปริภาชกที่จริงท่านก็เป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มของพระสารีบุตรพระโมกขลานะเองเข้าไปในยุคแรกมันก็มีตั้งสี่ห้าร้อยแล้วแต่ประเด็นที่ท่านหลงผิดเข้าใจผิดคือคิดผิดนั่นถ้าเรามองเห็นเป็นระบบแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากความเห็นว่าตัวตนนั้นเที่ยงแท้แน่นอน เข้าใจว่าสถานภาพของตนเองจะมีความเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันแล้วก็จะว่าตัวความเป็นเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้ยังยืนเพรา ะ, ะนันตนเองก็จะได้เป็นอยู่ตลอดไปโดยลืมมองในแง่ของสังกตลลักษณะคือลักษณะที่ไม่เท่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายเพราะความเป็นคณาจารย์เทารัชชินัน์ ก็มีลักษณะเดียวกับพวกดาราอะไรทั้งหลายนั่นเองหรือแม้แต่สินค้ามันอยู่ที่คนอื่นยอมรับนับถือสถานะตรงนั้นยอมรับรับถือคุณค่าตรงนั้นไม่ใช่เราเป็นเราได้โดยลำพังตัวเองในขณะที่มีคนยอมรับนับถือบ้าการเป็นเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ได้แต่บอกคนเกิดมองเห็นความไร้สาระในลัทธิความเชื่อถือ มันก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะที่จริงถ้าสันชัยปริภาชกและหยุดคิดตรงนี้สักนิดเดียว ม, มันก็เห็นอะไรได้ชัดเจนเพออราะรอยพระวักกลุ่มของรรรขาานะพระสาริบุตรพระพุทกาลนาเข้าไปครั้งแรกนั้นห้าร้อยแต่พอพระสาริบุตรพระโมคคลานาะบรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าบลระดับโสดาบันแล้วก็ไปชวนทันสันชยัยมาคว้าพระพุทธเจ้าด้วยกันทันสันชัยมีการบ่ายเบี่ยงโดวยวิธีการต่างๆ แต่มีความรู้สึกว่าท่านในฐานะที่เป็นคณาจารย์เจ้าระทิเมอายุอานามก็มากกว่าพระพุทธเจ้าคนก็รบเราถือมกอศการไม่ยอมตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเด็กกว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับจับจระเข้ไปใส่ไว้ในตุ้เราก็เห็นภาพไ่าจระเข้นั้นเป็นสัตว์ยาวสาาวัตว์ด้วยครานแล้วก็ไปอยู่ในตุม่มซึ่งมีภาพเป็นตัวกลมการไปอยู่กับลำบากการขยับไปเยื่อก็ลำบาก แสดงเห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงอวิชชาที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ไปให้ความสํำคัญแก่ตัวตนตัวตนยิ่งใหญ่ตัวตนจะต้องได้รับการปลรนปลือบํารุงบําเรอจากบุคคลอื่นแล้วสึกว่าการเป็นลูกน้องของพระพุทธเจ้าก็ถูกบังคับถูกสั่งการถูกอบรมสั่งสอนทำให้ตัวตนของตัวเองนั้นเล็กลงไป มันรู้สึกว่าตัวตนใหญ่มันก็เข้าอะไรก็ถ่ายไม่ได้แล้วจะไปมองปัญหาที่ข้างนอกแทนที่จะมองว่าปัญหามันเกิดจากตัวเราที่ทํานองท่านเล่าที่จริงเราน้นว่าเป็นนิทานของไทยแต่พระพุทธเจ้าเล่าเองกระทับนั่งอยู่ท่ามกลางพระสงฆ์มีสุนัขที่เรือนตัวหนึ่งแกนอน แล้วแกก็เ ก, า, กเาแล้วก็ขันแล้วก็วิ่งย้ายที่ไปเรื่อยๆก็ทรงเชี้อภิกษุทั้งหลายดูโดยทรงแสดงเห็นว่าสุนัขนั้นเข้าใจว่าที่เหล่านั้นไม่ดีพอนอนแล้วทำให้ตัวเองขันก็ต้องวิ่งย้ายไปเรื่อยๆไปนอนตรงไหนมันก็ขันตรงนั้นแล้วลืมมองไว้ว่าที่จริงมันขันคีดเรื่องของตัวเอง กระสาบใดที่เคลือนตัวเองไม่หายนอนที่ไหนมันก็ขัดเพราะนปัญหาเหล่านี้ที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจของท่านสัญชัยซึ่งมีอัตตาใหญ่เกินไปแล้วก็เจวอัตตาตัวตัวนั้นจะเที่ยงแท้จะยั่งยืนจะยิ่งใหญ่ทั้งที่มีการพิสูจน์ทดสอบว่ามันเกิดขึ้นจากการยอมรั บ, บยกย่องของบุคคลอื่น และเป็นการมองให้ความสำคัญแกล่ลาภสาการชื่อเสียงต่างๆที่ตัวเองจะได้จากการหลอกลวงคนโง่ดังนั้นเมื่อภาษาดิบุตรท่านขูว่าอาจารย์คิดดูให้ดีต่อไปนะ่าจะทำอย่างไรเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วในโลกคนทั้งหลายก็จะไปควาาพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้อย่างไร คำพูดของสัญชัยแม้จะขมแต่เป็นการตอกหมุดตรึงตัวเองไว้กับที่แล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นเองท่านกล่าวว่าให้ลองคิดดูว่าโลกนี้คนโง่ามากหรือคนฉลาดมากภาษาริบก็บอกว่าคนโง่ามากคนฉลาดน้อยแต่สัญชัยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวคนโง่โง่ก็จะมาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่ คนฉลาดฉลาดก็จะไปหาพระสมณะโพรมผู้ฉลาดพวกเราก็จริงฉันก็อยู่ฉันได้เหมือนกันนี่คือตัวความคิดที่เข้าใจว่าสถานะการยอมรับนับถือศรัทธาของบุคคลอื่นนั้นทำให้ตนดีทำให้ตนเด่นทำให้ ต, น ด, น, หตนดังที่จริงแล้วลาบสกัลละชื่อเสียงโดยรวมก็คือลาบยอสันเสริญสุข ม, มันมีความเป็นดาบสองคมอยู่ในตัวของมันเอง แต่นำว่าใครเป็นคนครอบครองสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นอาจจะนําภัยอันตรายมาสู่ตนเองก็ได้และสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการพัฒนาจิตใจของตัวเองเช่นการให้ทานเราก็ให้จากลาบเกิดสิ่งที่เราได้มาเราก็แปลงสิ่งเหล่านั้น ซึ่งอาจจะดึงภัยอันตรายโจรผู้ร้ายมาสู่เราหรือว่าต้องพิบัติไปสูญเสียไปเพราะเหตุเพราะภัยต่างๆม า, ากลายเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปก็แสดงว่าใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันท่านที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงท่านก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตกอยู่ในกฎของประไหลัก จะเป็นดีพิเศษยังไงก็ตามรับยศสรรเสริญสุขในสุดมันก็ตกเข้าสูส่กระแสคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อมีมากมีน้อยท่านก็ไม่ฟุบไม่แปะแต่ท่านก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นปัจจัยเครื่องอัศัยแทนที่จะสยบติดให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นจนเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้น นั้นแสดงเห็นถึงความแตกต่างระหว่างจิตใจของผู้ที่มีวิชาอยู่มากกับวิชาอยู่น้อยหรือไม่มีวิชาผลการหลงติดของท่านสันชัยปริภาชกก็คือการหลงติดในอัตตาที่เข้าใจไว้เที่ยงแท้แน่นอนแล้วนําไปสู่ภาวะตัณหาภาวะทิฏฐิคือการกระสันอยากในสถานภาพความมีความเป็นต่างๆโดยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเทียง ลาบส ก, การะชื่อเสียงทั้งหลายความเคารพัะถือของคนอื่นก็จะอยู่กับตัวเองตลอดไปที่เราจะเห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนเรานั้นจะดีจะชัว่วไม่ได้อยู่ที่คนอื่นยกย่องสรรเสริญคนอื่นดินถาว่าร้ายแต่จริงแล้วมันอยู่ที่การกระทาของเราเอง แม้คนจะให้ความเคารพนับถือยกย่องเชิดชูเป็นศาสตาคณาจารย์เจ้าระชิยังไงก็ตามแต่หากว่าจิตใจยังมีคุณมัวซศบ้าหมองยังมากด้วยราคาโทวสัปหะฤิษยาความเข้าในด้านต่างๆก็ไม่ได้ช่วยให้เราดีพิเศษไปไวันบางครั้งบางคราวเราจึงพบตัวอย่างบุคคล ที่เป็นผู้ชี้นำสั่งสอนบอกทางแก่ บ, บุคคลอื่นแต่ตัวเองไม่ได้เดินไปทางนั้นในขณะที่คนซึ่งเขาบอกทางให้ประสบความสาเร็จประสบความเจริญก้าวหน้าแต่ว่าคนเหล่านั้นกลับตกต่าก็แสดงเห็นว่าความดีความช่วยนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาของเราเองไม่จะเกิดขึ้นจากการยกย่องนับถือศรัทธาของบุคคลอื่นเป็นประการสำคั ตัว น, นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความดัมริผิดคือไปมองสิ่งที่ไร้าสาระแก่นสารสิ่งที่ไม่เทียงแท้ยั่งยืนว่าเป็นสิ่งที่เทียงแท้ยั่งยืนเพรา ะ, ะนั้นพอพระสารีบุตรไปกราบทูลให้งสงทราบพระเจ้าสรุปโดยข้อความสั้นๆว่าคนที่มีความดัมริผิดคือคิดผิดนั่น จะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแต่กลับมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะนั้นตลอดชีวิตของเขาก็จะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวสาระหรือไม่ใช่สาระแต่ปัญหาเป็นอยู่ที่ความคิดของบุคคลนั้นซึ่งข้อนี้เป็นสังเกตอีกมุมหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ว่า บุคคลที่มีความดำริิชอบจะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแล้วจะประสบสิ่งที่เป็นสาระเราเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมประการจะมองอะไรได้ชัดเจนนั้นต้องไม่มืดคือถ้ามืดถ้าเรามองไม่เห็นเราก็รู้ชัดไม่ได้อาการความมืดจึงเป็นอาการของวิชา อาการสว่างจึงเป็นอาการของวิชาเรื่องยาหรืออาการของปัญญาการจําแนแกแยกแยะสาระและไม่เป็นสาระนั้นพึงสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายในแง่ของความเป็นจริงแล้วตัวการสําคัญอยู่ที่ความรู้เขียนของเราถ้าภูมิปัญญาของเรามีมากพอนั้นสามารถจะหาสาระได้ทั้งสองอย่าง คือทั้งจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจากสิ่งที่เป็นสาระคือใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองทางดังนั้นกวการปฏิบัติธรรมาทางพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นสองระดับระดับแรกเป็นการมองว่าอะไรเป็นอะไรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่ระดับศีลระดับธรรมะทั่วๆไป และความตรงนี้ต้องบอกไว้ชัดเจนว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นควรเป็นสิ่งนั้นควรประพฤติสิ่งนั้นควรหลีกนี้สิ่งนั้นไม่ควรรู้ควรเรียนควรฟังเป็นต้นจะว่ากันไปแต่พอถึงระดับหนึ่งแล้วเป็นระดับของวิปัสสนาปัญญาเป็นระดับที่ภูมิธรรมภูมิปัญญาของบุคคล น, นั้นมีความสว่างมากพออยู่ภายในใจสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรนั้นไม่สําคัญ แต่ท่านสามารถจะหาประโยชน์ได้จากสิ่งเหล่านั้นหมายความดีท่านก็หาประโยชน์ได้ไม่ดีท่านก็หาประโยชน์ได้สิ่งที่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นแต่รหมัดท่านที่มีปัญญาท่านก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้และสิ่งที่ดีโดยสภาพท่านก็สามารถจะพัฒนาขึ้นไปได้ ท่านเพืนสังเกตลักษณะาอารมณ์ของกรรมฐานที่พระเจ้าทรงวางไว้อารมณ์บางประเภทนั้นเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงน่าหวาดกลัวน่าสะดุ้งเช่นอสุภกรรมฐานปูตังการศึกษาเรื่องซากศพต่างๆกรารศึกษาเรื่องดิน้ำลงไฟการมองความปฏิกูลของอาหารความสกรปรกของอาหารคือดูอาหารที่ปฏิกูล เรื่องนี้เาสังเกตว่าที่จริงแล้วเป็นของหน้าขยะขยงแต่ทรงสอนให้มองในแง่ของวิปัสสนาปัญญาคือมองให้แจ่มแจ้งชัดเจนก็จะเข้าใจถึงความจริงของชีวิตเพราะชีวิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความกหนัดเพลิดเพลินหลงไหลครั่งคล้าจนถึงก็ยือ้อแย่งต่อสู้ปราดปรางกันเพื่อได้เพื่อครอบครองนั้น ที่จริงแล้วเป็นที่ประชุมของซากศพต่างๆมีความปฏิกูลโดยสภาพของมันต้องมีการชำระล้างต้องมีการขัดสีต้องมีการอบกรดต้องมีการปรัพรมด้วยเครื่องคอมต่างๆไม่มีอะไรที่เป็นความสวยงามที่แท้จริงและในสุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปก็ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนที่แท้จริงเพราะนั้นยังหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ไนดะ้ คนที่มีภูมิปัญญาสูงส่งจริงๆสามารถจะมองภาพย้อนเข้าไปสู่อนาคตหรือ ย, ย้อนไปสู่อดีตได้โพราชีวิตรเรานั้นเชื่อมโดยการทั้งหลายเจนประยัดสะที่สามารถมองสนองกนันในภายในปราศาสเป็นซากศพสนอสแสดงว่ามองจากปัจจุบันไปสู่อนาคต หรือว่าเด็กเรวัตอายุเพียงเจ็ดขวบสามารถมองคนอายุเจ็ดขวบเป็นคนอายุร้อยสิบปีนั้นแสดงถึงแสงสว่างที่ส่องไปได้ไกลแล้วก็ตาก็มองได้ไกลสามารถจะถ่ายทอนความกขนาดความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งเดียดนั้นไปได้ทั้งๆที่โดยสภาพความจริงแล้วในขณะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าก็มองเห็นในความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นลักษณะเหล่านี้จึงอยู่ที่ตัวปัญญาที่มีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นว่ามีมากหรือมีน้อยเท่าไหร่ถ้าก็มีมากพอก็หาประโยชน์ได้ทุกเรื่องนั้นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจึงใช้ได้ทุกเรื่องอะไรก็ได้ซักศพสิ่งที่เป็นปฏิกูลเสษกระดูก ตลอดถึงแม้ที่สิ่งที่เป็นปรากฏการธรรมชาติแต่สาหรับคนที่ยังตกอยู่ภายใต้กองวิชาแล้วจะไม่สามารถมองทะลุอย่างนั้นได้จะตัดสินวินิจฉัยเอาตามที่ตัวรู้เห็นในแต่ละขณะและในสุดก็จมปรักอยู่ตรงนั้น คล้ายๆกับที่ท่านสันใจปริภาชกมองสถานภาพของความเป็นขณาจารย์จารฐที่ของท่านทั้งนองเป็นของเที่ยงแพ้ยั่งยืนไม่แปรผันและในที่สุดลูกศิษย์ลูกค้าของท่านตั้ง250คนที่แยกตัวเองมาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าปรุมกลเป็นพระอราหันต์ดับกิเลสได้หมดดับทุกข์ได้หมด แต่ท่านเองกิเลสก็เพิ่มขึ้นความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏ น, นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าตัวการใหญ่มอยู่ที่ตัวความคิดการตัดสินใจเวลากระทบอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสภาษาริบุติปะมกกาลานนะท่านสันใจปริพาชกยุข่าวการอุบัติวันเกิดของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน และยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระหันจัสรูด้ดีจัสรู้ชอ บ, บรือตรงเองเช่นเดียวกันสัญชายเองก็ยอมรับแต่สัญชายนั้นมีอัตตาใหญ่ให้ความสำคัญแก่ตัวเองมากเกินไปในขณะที่พระสาสดาบุตรให้ความสำคัญแก่ธรรมะที่เรียกว่าเป็นมกขธรรมคือธรรมะจะสอนโดยใครก็ตามขอให้ท่านบรรลุเท่านั้นเอง ท่านก็พร้อมที่จะสละสถานะภาพดั้งเดิมของท่านเพื่มุ่งไปสู่ตรงนั้นมันเราเห็นเส้นทางการเดินทางของพระสารีบุตรคือจับแล้วก็วางเมื่อมีสิ่งที่มีค่ามากกว่าแต่ท่านสัญชัยปรีภาชกนั้นจับแล้วก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นเองเป็นการตรอกหมุดตัวเองเอาไว้แล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นซึ่งแนวตรงนี้มันก็เหมือนกับพี่ นิทานต่างๆที่ท่านลา่าถือเสหายสองคนเดินทางไปสแสวงหาทรัพย์สินกันในครั้งแรกก็เจอเชือกเจอเชือกป่านไอ้คนหนึ่งก็แบกเชือกปาอ่านนนั้นแหละมายอปล่อยคนหนึ่งก็เปลียดไปเรื่อยจนในที่สุดกลับมาสู่บ้านด้วยเชือกป่านกับกลับมาสู่บ้านด้วยทองคําเป็นการวัดภูมิปัญญาของบุคคลทั้งสองก็อมองเห็นค่าของสิ่งเหล่านั้น แต่เมื่อต้องแลกต้องเปลี่ยนกับสิ่งที่มีค่ามากกว่ามันก็ต้องทิ้งสิ่งที่มีค่าน้อยกว่าเพื่อเอาสิ่งที่มีค่ามากกว่าการปฏิบัติธรรมะในทางาศาสนาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามจะมองไปในระดับนั้นคือหมายความมาถึงจุดหนึ่งเพื่อสิ่งที่มีค่ามากกว่าที่ได้ประโยชน์มากกว่าเราก็ทิ้งสิ่งที่มีค่าน้อยกว่าหรือได้ประโยชน์น้อยกว่า แล้วก็ไปเอาสิ่งที่มีค่ามากวามากว่าประโยชน์มากกว่าซึ่งก็เป็นวิธีชีวิตทั่วๆไปทำนองเดียวกันการเรียนหนังสือหรือการทํางานมีตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วต้องชิ้นของเก่าเสมอไปเพื่อ น, นํำสิ่งที่ใหม่ๆมาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของตัวเองให้สูงขึ้นซึ่งก็หมายความว่าถ้าทําได้ก็ต้องอาศัยพื้นฐานของปัญญาที่สว่างขึ้น มองได้ไกลมองได้ลึกมองได้กว้างมากยิ่งขึ้นบรรนวของปัญญาจึงเป็นรูปของรัศมีที่แผ่ไปถ้าไม่รู้เห็นเรื่องความจริงรอบด้านแล้วทุกแนวจึงจะเป็นจะต้องเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นเพื่อลดละอวิชาให้จางเบาบางลงไปก็จะรับผลจากการพัฒนาปัญญาการลดของอวิชาได้ตามตรงควรแก่การปฏิบัติ ตอตนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป